พุทธวัตรสวัสดีค่ะท่านฟังค่ะไม่ได้ยินเสียงพุทธวัตรสวัสดีกัน2วันเสาร์อาทิตย์แต่พอส่วนใหญ่ของสัปดาห์คือจันทร์ถึงศุกร์เราก็มาพบกันเช่นเคยนะคะพุทธวัตรสวัสดีในรายการสรนสนีสนทนาซึ่งดําเนินรายการโดยดิฉันสันสนีนาคพงศ์ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m ฟเอค่ะเราจะมีพระคุณเจ้า2รูปด้วยกันนะคะที่นําเสนอพุทธวัจนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รูปแรกนั้นก็คือพระมาร์กชาขาวโรวัฒนาปะพงลำลูกกาคลอง1ิบซึ่งจะทำให้ท่านฟังได้เข้าถึงพุทธวจนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างถูกต้องตรงกับคำของพระพุทธองค์มากขึ้นในวันนี้ท่านก็พร้อมอยู่นะห้องนี้แล้วนะคะนกกามสกัรกับทัานคะเจรัญพรค่ะสาหรับสัปดาห์นี้ <c oughs> พุทธวจนะจะเป็นเรื่องใดบ้างคะ สำหรับอาทิตย์นี้ก็จะนําเรื่องของมาร์กวิธีที่สั้นๆง่ายๆมาให้พวกเราได้ฟังประกอบกับการปฏิบัติแล้วก็จะหาพระสูตรที่พระพุทธองค์นเนได้ตรัสถึงพระองค์เองอย่ากว่าท่านได้เหตุผลต่างๆที่ทําให้ท่านเกิดมาในโลกนี้แล้วก็ท่านเกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อกูลกับมวลหมู่สัตว์ทั้งหลายอย่างไรเพื่อให้เราเข้าถึงพระผู้มีรพระภาคเจ้าได้มากขึ้นค่ะนิมนต์เลยค่ะท่านค่ะ นี้เราก็มาทําความเพียรเจริญอาณาปานสติเผากิเลสกันต่อพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยแล้วก็ตั้งสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเข้ายาวออกยาวรู้เข้าสั้นออกสั้นรู้จิตหลุดไปคิดในเรื่องใดก็ตามก็ให้หวางความคิดนั้นเสียแล้วตั้งสติอยู่กับลมหายใจ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถึงการเกิดขึ้นของพระองค์ไว้ว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองสมบูรณ์ด้วยวิชาและเจรณะดำเนินไปดีรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกคนควรฝึกไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วจำแนกรรมออกสั่งสอนสัตว์ตถาคตนั้นได้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้กับทั้งเทวดามารพรม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 พร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงทมที่ตถาคตแสดงนั้นเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความสงบประงับเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความดับเย็นสนิทเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความรู้ครบถ้วน ชนเหล่าใดถือว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาลนานสำหรับมัควิธีที่ง่ายๆในการภาวนานั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนถึงเรื่องของสัมมาวายามะหรือความเพียรชอบไว้ท่านได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัมมาวายามะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้น ย่อมพยายามปรารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อจะยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นย่อมทำความพอใจย่อมพยายามปรารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อละอกุศลอันเป็นบาป ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมทำความพอใจย่อมพยายามปรารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อจะยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นย่อมทำความพอใจย่อมพยายามปรารบความเพียร ประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งอยู่ความไม่เละเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความไพยบู์ความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วภิกษุทั้งหลายอันนี้เราเรียกว่า สัมมาวายามะ น, นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เราพยายามตามความเพียรให้อั ก, กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นให้อั ก, กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดสิ้นไปพยายามทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น และทำให้ทให้กุศลธรรมที่ตั้งอยู่นั้นเจริญงอกงามไพยบู์เต็มรอบยิ่งขึ้นต่อไปในอีกพระสูตรหนึ่งท่านตรัสถึงความดำริชอบหรือสัมมาสังกัปปะท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัมมาสังกัปปะ ความดําริชอบเป็นอย่างไรเล่าความดําริในการออกจากการมความดําริในการไม่รุง่งความดําริในการไม่มุ่งร้ายความดําริในการไม่เบียดเบียนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่า สัมมาสังกปะความดำริชอบเพราะฉะนั้นความดำริชอบคือความคิดออกไปในทางละกามละพยาบาทละความเบียดเบียนเสียนะสองวิธีนี้สัมมาวายามะความเปลี่ยนชอบสัมมาสังกปะความดำริชอบ2วิธีนี้คือมรรควิธีที่ง่ายๆ เป็นหนึ่งในมัคมีอง 8. แปดเป็นส อ, สองอย่างในมัคมีอง 8. แปดสําหรับวันนี้เราก็ปฏิบัติมาได้สมควรแก่เวลาก็ใครจะอยากอยู่ในสมาธิต่อก็ทําได้ใครจะออกจากสมาธิเพื่อฟังช่วงถัดไปก็ทําได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาปฏิบัติทางความเพียรกันต่อค่ะ ติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้นะมสัการขอบคุณพระคุณเจ้าเป็นอย่างยิ่งค่ะเจรพ